จเจริทารท่านสาธุชนพุทธพราชัอุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกทุกท่กทานวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่สืบพฤสภาคมพุทธศักราสนาราเป็นวันพระวันธรรมสวัสวิวันฝังธรรมวันที่พวกเราได้ตั้งใจมาวัด เพื่อมาศึกษามาฟังคำสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าที่เปลี่ยนเหมือนแสงสว่างนำทางให้แก่ชีวิตของพวกเราให้เราได้เดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางที่พวกเราทุกคนปรารถนากันก็คือการสิ้นสุด ข, ของความทุกข์การสิ้นสุด ข, ของการเกิดแก่เจ็บตาย เพราะธาตบใดยังมีการเกิดอยู่ย่อมมีความแก่ย่อมมีความเจ็บย่อมมีความตายอยู่เสมอามการเกิดจึงเป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะจะต้องไ ป, ไปพบกับความแก่พบกับความเจ็บไข้ได้ป่วยและพบกับความตายไปในที่สุดถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเราจะไม่รู้จักทาง ที่จะพาให้เราได้ไปสู่การสิ้นสุด ข, ของการเวียนว่ายตายเกิดทางที่จะพาเราออกจากโลกแห่งการเกิดแก่เจ็บตายถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาไม่มีพระพุทธเจ้ามาตับสร้งไม่มีพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีพระอริยสงสาวุป ข, ของพระพุทธเจ้ามาบอกทาน พวกเราก็จะต้องติดอยู่ในคุกของการเกิดแก่เจ็บตายไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุด น, นานๆจะมีพระพุทธเจ้ามาปรากฏมาเป็นผู้นำทางให้พวกเราได้ออกจากคุกตารางของการเกิดแก่เจ็บตายคุกตารางที่เราอยู่นี้ก็มีกําแพงอยู่สีด้านด้วยกัน คือด้านที่หนึ่งเรียกว่าเกิดด้านที่สองเรียกว่าแก่ด้านที่สามเรียกว่าเจ็บและด้านที่สก็คือตายพวกเราติดอยู่ในครุภนี้มาไม่รู้นานสักเท่าไหร่แล้วและจะติดเป็นอย่างนี้ไปต่อไปไม่มีวันสิ้นสุดจนกว่าเราจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเราจึงจะสามารถ มีโอกาสมีทางที่จะทําให้เราได้ออกไปจากคุกนี้ได้ถ้าเรามาเกิดเป็นมนุษย์แต่ไม่มีพระพุทธศาสนาเราก็จะไม่รู้จักวิธีที่จะออกจากคุกนี้ไปถ้าเรามาพบพระพุทธศาสนาแต่เราไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์เช่นเรามาเกิดเป็นสุนัขมาเป็นแมว มาอาศัยอยู่วัดเราก็จะไม่ได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาเพราะสุนักขกับแมวนี้ไม่สามารถฟังเทศฟังธรรมให้เกิดความเข้าใจได้ต้องเป็นมนุษย์เท่านั้นถึงจะสามารถที่จะฟังเทศฟังธรรมให้เกิดความเข้าใจการฟังเทศก็เหมือนกับการฟังการบอกทางที่เราต้องการจะไป เช่นเราอยากจะไปเชียงใหม่เราไม่เคยไปเราก็ต้องถามคนที่เขาเคยไปเชียงใหม่มาแล้วว่าไปอย่างไรถ้าเราเป็นคนหูหนวกเราก็จะไม่สามารถได้ยินเสียงของเขาบอกเขาที่เขาจะบอกทางให้กับเราถ้าเราเป็นคนตาบอดเราก็จะไม่สามารถเห็นแผนที่ที่เขาว่าให้กับเราได้ ฉันใดเวลามาเกิดเป็นสัตว์เวราชานี้ก็เป็นเหมือนกับคนหูหนวกตาบอดที่จะไม่ได้สามารถได้ยินคำบอกเล่าคำบอกทางว่าไปอย่างไรหรือดูแผนที่ได้ต้องเป็นคนตาดีหูดีอย่างพวกเรานี้ได้มาเกิดเป็นมนุษย์มีตาดีมีหูดี เราสามารถฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ถ้าเราฟังแล้วเราเชื่อและนำเอาไปปฏิบัติไม่นานเราก็จะหลุดออกจากคุกตารางของการเกิดแก่เจ็บตายได้ผู้ที่ออกจากคุกตารางนี้ไม่ใช่ร่างกายร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราร่างกายเป็นเพียงลูกน้องเราคนใช้เราตัวของเราคือใจ ใจนี่แหละที่มาติดกับร่างกายพอมาได้ร่างกายก็ต้องมาแก่กับร่างกายมาเจ็บกับร่างกายมาตายกับร่างกายไปแต่ความจริงใจของเรานีไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายแต่เราเป็นเหมือนคนหูหนวกตาบอดเราจึงไม่รู้เราไปคิดไปเองว่าร่างกายเป็นตัวเรา ขอ ง, ของเาเวลาร่างกายเป็นอะไรเราก็คิดว่าเราเป็นไปกับร่างกายเช่นเวลาร่างกายแก่เราก็คิดว่าเราแก่เวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็คิดว่าเราเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาที่ร่างกายตายเราก็คิดว่าเราตายความจริงเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายพอร่างกายนี้ตายไปแล้วความหลงที่ไม่รู้จัก ว่ า, าการเกิดนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีก็จะหลอกให้เรากลับมาเกิดใหม่ได้มาร่างกายม า, มาได้ร่างกายอันใหม่แล้วก็ต้องมาทุกข์กับร่างกายอันใหม่เพราะร่างกายอันใหม่นี้ต่อให้จะดีขนาดไหนสวยงามขนาดไหนก็ต้องมีเวลาแก่มีเวลาเจ็บและมีเวลาตายไปในที่สุด ถ้าไม่ต้องการที่จะมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายก็ต้องไม่กลับมาเกิดและการที่จะไม่กลับมาเกิดมามีร่างกายใหม่ก็ต้องรู้จากเหตุที่ทำให้เรามาได้ร่างกายอันใหม่ถ้าเรารู้ว่าเหตุนี้ทำให้เราได้ร่างกายอันใหม่เราหยุดเหตุนี้เราก็ไม่ต้องมีร่างกายอันใหม่ แล้วเราก็จะได้ไม่ต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายอันหนึ่เราอาจจะคิดว่าถ้าเราไม่มีร่างกายแล้วเราจะอยู่ได้อย่างไรใจของเรานี้แหละเป็นเป็นสิ่งที่ไม่ต้องมีร่างกายก็อยู่ได้เพราะใจของเรานี่ก็คือกายทิพนีเ้เป็นร่างทิพเวลาร่างกายตายไปนี้ใจของเรา ก็เป็นร่างทิพย์ชนิดต่างๆตามบุญตามกรรมที่เราทําไว้ถ้าเราทํากรรมไว้ทําบาปไว้เราก็จะได้ร่างทิพย์ที่ไม่ดีคือร่างทิพย์ของเปรดของผีของสารนรกพวกนี้เขาก็เป็นร่างตายทิพย์เขาไม่มีร่างกายหยาบถ้าเราทําบุญได้บุญได้นับอนิสง์ของบุญเราก็จะได้ ร่างชิพของเทวดาของพรหมนี่คือใจที่ไม่ได้ตายไปจากร่างกายเราอยากจะรู้ว่าใจของเราเป็นอย่างไรก็นึกถึงตอนที่เรานอ น, อนหลับเวลาเรานอ น, อนหลับนี่ใจของเราไม่ได้ใช้ร่างกายทำอะไรเพราะร่างกายขอพักชั่วคราวใจของเราก็เลยต้องไปโดยที่ไม่มีร่างกายก็คือไปในฝันนี่ ตอนที่เราฝันนี่แหละคือใจของเรากำลัง <c oughs> อยู่ในโลกทิพย์ปล่อยวางร่างกายเพราะชั่วกราวแล้วก็ไปในโลกทิพย์ไปท่องเที่ยวในโลกทิพย์ถ้าเราฝันดีก็แสดงว่าเราไปท่องเที่ยวในสวรรค์ถ้าเราฝันร้ายเราก็ไปท่องเที่ยวในระบายไปนรก และเหตุที่ทําให้เราไปท่องเที่ยวในสวรรค์หรือในนรกก็คือการกระทําของเราที่เรียกว่าบุญหรือบาปถ้าเราทําบุญเราจะนอนหลับฝันดีถ้าเราทําบาปเราจะนอนหลับฝันร้ายแล้วนี่ก็จะเป็นเหมือนกับหนังตัวอย่างคืออนาคตของเราหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วถ้าเราฝันร้าย ก็แสดงว่าตายไปเราจะไปอบายกันไปเกิดในนรกไปเป็นเปรตไปเป็นผีถ้าเราฝันดีก็แสดงว่าเวลาเราตายไปเราจะไปสวรรค์กันนี่คือร่างทิพกายทิพที่ไม่ได้ตายไปจากร่างกายแต่ยังต้องมาติดอยู่กับการเกิดแก่เจ็บตายอยู่เพราะว่า หลังจากที่เราไปใช้บุญใช้บาปแล้วเราก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่กลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่ถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายเราก็ต้องหยุดเหตุที่ทำให้เราต้องกลับมาเกิดเหมือนกับถ้าเราไม่ต้องการให้รถยนต์เราวิ่งไปไหนมาไหนเราก็ต้องไม่เติมน้ำมันถ้าเราคอยเติมน้ำมันอยู่เรื่อย ้ถมันก็ยังวิ่งไปไหนมาไหนได้อยู่เรื่อยๆถ้าเราไม่อยากให้รถเราวิ่งไปไหนไม่อยากให้ก็เดินขับรถเราไปไหนเราก็อย่าไปเติมน้ำมันพอไม่มีน้ำมันต่อไปรถก็ไปไหนไม่ได้ฉันใดใจของเราก็มีน้ำมันที่ทำให้เรามาเกิดกันน้ำมันนันนี้ก็คือความอยากต่างๆนี่ความอยากในรูปเสียงกลิ่นรถ อย่างที่พวกเราอยากกันทุกวันนี้อยากดูอยากฟังอยากดื่มอยากรับประทานอยากไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆอยากร่วมหลับนอนกับแฟนของเราอันนี้เรียกว่าเป็นเชื้อของภพของชาติของการมาเกิดเพราะถ้าใจเรายังมีความอยากอยู่เวลาร่างกายตายไปใจก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่ เหมือนกับถ้าเรายังอยากที่จะขับรถไปไหนมาไหนอยู่พอน้ามันหมดเราก็ต้องไปเติมน้ามันกันแต่ถ้าเราไม่เติมน้ามันรถก็จะไม่สามารถพาเราไปไหนมาไหนได้ฉันใดใจของเราก็เป็นเหมือนรถที่พาให้พวกเรามาเกิดในภพต่างๆมาเกิดเป็นมนุษย์บ้างตามตามกาลังของบุญของบาสเกิดเป็นเดรัจฉานบ้าง เกิดเป็นเทวดาบ้างเกิดเป็นเปรตบ้างนี่คื อ, อ, อผลที่เกิดจากการทำบาปที่ทำด้วยความอยากต่างๆเวลาเราอยากได้อะไรเราก็จะไปหาสิ่งที่เราอยากได้ <S 2> <S 2> <S 2> บาง ท, เาทีเราก็ต้องไปทำผิดศีลาะเราอยากได้แล้วเราไม่สามารถไปเอามาได้โดยที่ไม่ทำผิดศีล เราก็ต้องทำผิดศีลกันเวาทำผิดศีลเวลาตายไปเราก็ต้องไปใช้กรรมในอับายไปเกิดเป็นเปรตอย่างนี้แต่ถ้าเราหามาโดยที่ไม่ไม่ผิดศีลเราก็ไม่ต้องไปเกิดเป็นเปรตแต่เราก็ยังมีความอยากอยู่พอร่างกายนี้ตายไปเราเสียของต่างๆที่เราหาได้มาเรายังอยากจะได้มันเราก็ต้องกลับมาเกิดใหม่ ถ้าเราไม่อยากได้อะไรเราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่นี่คือเชื้อของการมาเกิดเหตุของการมาเกิดพระพุทธเจ้าบอกว่าอยู่ที่ความอยากความอยากมีอยากเป็นนี่ก็เป็นเชือ้ออยากร่ำอยากรวยอยากเป็นใหญ่อยากเป็นโตอยากมีชื่อมีเสียงมีหน้ามีตาตามอยากเหล่านี้ก็จะดันใจของเราให้กลับมาเกิด หรือความอยากดูอยากฟังอยากดื่มอยากรับประทานอยากเที่ยวตามสถานที่ต่างๆอันนี้ก็จะทําให้เรากลับมาเกิดอีกหรือความอยากไม่เป็นไม่มีเชไม่อยากเป็นคนจนไม่อยากจะเป็นคน อ, อ, อาภัพวาสนาไม่อยากจะเป็นคนรูปร่างหน้าตาไม่สวยงามไอ้ น, นี่มันก็จะทําให้เรากลับมาเกิดใหม่อีก นี่คือความอยากที่พระเจ้าบอกว่าถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเกิดใหม่เราต้องหยุดความอยากเหล่านี้วิธีจะหยุดความอยากก็ต้องทำทานเอาเงินที่เราจะไปซื้อของตามความอยากต่างๆนี้เอาไปทำทานเสียเช่นเราอยากจะไปเที่ยวเราก็เอาเงินนี้ไปทำบุญแทนเราก็จะไม่ได้ไปเที่ยวพอเราไม่ได้ไปเที่ยวเราก็จะได้ตัดความอยากไปเที่ยว เวลาเราอยากจะไปดูหนังฟังเพลงเราก็เอาเงินนี้ไปทําบุญทําทานทําที่ไหนก็ได้ทํากับพ่อกับแม่ทํากับพี่กับน้องทํากับใครก็ได้เพื่อให้เราจะได้ไม่มีเงินไปทําตามความอยากเท่านั้นเองอเงินนี้มีความดีอยู่อย่างเดียวเท่านั้นก็คือมีไว้สําหรับเลี้ยงดูร่างกายของเราเช่นซื้ออาหาร ซื้อที่อยู่อาศัยซื้อเสื้อผ้าซื้ อ, อย า, ารักษาโรคอันนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นแล้เงินนี้ถ้าใช้ไปกับสิ่งที่จำเป็นนี้จะไม่เป็นการ เ, าเติมเชื้อของความอยากให้มีมากขึ้นแต่ถ้าเราเอาเงินนี้ไปซื้อของตามความอยาก ท, ทั้งทั้งที่เราไม่ต้องซื้อไม่มีความจำเป็นจะต้องซื้ออันนี้จะทำให้ความอยากของเรา มีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนกับตามน้ำมันใส่ในรถก็จะทำให้เรามีกำลังที่จะไปเกิดอยู่เรื่อยๆถ้าเราอยากจะตัดกำลังที่จะพาเราไปเกิดเราก็ต้องอย่าทาตามความอยากอย่าใช้เงินตามความอยากเงินเอาไว้ใช้ในสิ่งที่จำเป็นก็คือดูแลรักษาร่างกายของเราให้อยู่ไปเพื่อที่เราจะได้มา ต่อสู้มาหยุดความอยากเพราะความอยากนี้จะหยุดต้องหยุดด้วยการปฏิบัติธรรมการทำทานนี้เป็นการช่วยตัดกาลังมันเช่นเราอยากจะไปเที่ยวเราก็อยากไปเที่ยวเอาเงินที่จะไปเที่ยวนี้ไปทาบุญอยากจะซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่ทั้งๆที่เรามีอยู่ร่มตู้อยู่แล้วเราก็อยากไปซื้อ เอาเงินไปทำบุญหรือเธอถ้าจะซื้อก็ได้ซื้อแล้วก็เอาไปให้คนอื่นอย่าเอามาใช้เองเห็นเสื้อผ้าชุดไหนสวยซื้อมาเลยแต่อย่าเอามาใช้เอาไปให้คนอื่นอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการทำบุญทำทานเหมือนกันตัดความอยากได้เหมือนกันถ้าเราซื้อของเงาไปให้คนอื่นนี่ต่อไปเราก็ไม่อยากจะซื้อซื้อแล้วเราไม่ได้เก็บเอาไว้นี่ไม่รู้จะซื้อมาทาไม ต่อไปความอยากจะซื้อของต่างๆมันก็จะไม่มีพอเราไม่มีความอยากซื้อของเราก็จะได้มีเวลาเพราะเราไม่ต้องไปหาเงินหาทองมาคอยซื้อข้าวซื้อของอยู่เรื่อยๆพอเราไม่ไม่ไม่ต้องเสียเวลาไปกับการหาเงินหาทองมาซื้อข้าวซื้อของต่างๆที่ไม่จำเป็นเราก็จะได้มีเวลาไปปฏิบัติธรรมไปอยู่วัดไปถือศีลแปดนุ่งขาวผมขาวแล้วก็ไป นั่งสมาธิทำใจให้สงบเพราะเวลาทำใจให้สงบแล้วเราจะหยุดความอยากได้เวลาใจสงบความอยากจะหายไปแล้วความสุขก็จะปรากฏขึ้นมาความสุขของพวกเรานี่ถูกความอยากมันบดบังเอาไว้ความจริงพวกเราทุกคนนี้มีมีความสุขอยู่ในตัวของเราแล้วแต่เราถูกความอยากนี้มันมาบดบังเราไว้ เวลาเกิดความอยากก็เลยกลายเป็นความทุกข์ไปเพราะเวลาอยากแล้วก็ต้องดิ้นรนต้องไปหาสิ่งที่เราอยากได้เวลาไม่อยากเวลาไม่ได้มาก็หมุดหยิดลำคาญใจแต่ถ้าเราสามารถทำใจให้สงบได้หยุดความอยากได้เราอยู่เฉยๆเรากลับมีความสุขมากกว่าการไปทำตามความอยากต่างๆ นี่แหละคือวิธีต่อสู้กับความอยากเราต้องมานั่งสมาธิมาปฏิบัติทำกันแล้วพอเราออกจากสมาธิมาพอเกิดความอยากเราก็ต้องใช้เหตุผลคือปัญญามาสอนใจว่าการทําตามความอยากไม่ได้ทําให้เรามีความสุขแต่กลับทําให้เรามีความทุกข์เหมือนคนติดยาเสพติด คนติดยาเสพติดกับคนไม่ติดยาเสพติดนี่ใครสบายกว่ากันคนไม่ติดนี้ไม่เดือดร้อนไม่ต้องไปดิ้นหายาเสพติดมาเสพแต่คนที่ติดยาเสพติดนี่ต้องไปหามาอยู่เรื่อยๆ เ, เพราะอยากจะเสพนั่นเองคนที่ไม่อยากเสพยาก็สบายไปฉันใดคนที่ไม่มีความอยากเที่ยวอยากดูอยากฟังอยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่ก็อยู่อย่างสบาย ไม่ต้องไปดิ้นรนไปหาอะไรต่างๆนี่แหละถ้าเราใช้เหตุผลต่อไปเราก็จะไม่ทำตามความอยากพอเราไม่ทำตามความอยากแล้วใจก็จะตั้งอยู่ในความสงบใจก็จะมีแต่ความสุขนี่แหละคือใจของพระพุทธเจ้ากับใจของพระอาหารหันต์ทั้งหลายท่านหยุดความอยากได้พอไม่มีความอยากแล้วใจท่านก็นิ่งไปตลอด ไม่มีความต้องการอะไรเมื่อ <iet S 2> ไม่มีความต้องการอะไร <ités> ก็ไม่ต้องมาเกิดพเพราะการมาเกิดนี่ก็เพราะเราต้องการมีร่างกายต้องการมีตาหูจมกูกลิ้นกายเพื่อเราจะได้ดูได้ฟังได้ดื่นได้รับประทานแต่ถ้าเราไม่มีความอยากดูอยากฟังอยากดื่อยากเที่ยวอยากเล่นเราก็ไม่ต้องมีร่างกายเราก็ไม่ต้องกลับมาเกิด พอเราไม่กลับมาเกิดเราก็ไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายต้ไม่ต้องมาวุ่นวายกับการหาเงินหาทองหาข้าวหาปลามาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอย่างที่เราต้องทำอยู่ทุกวันนี้นี่แหละคือสิ่งที่ทาให้เรามาเกิดก็คือความอยากต่างๆและวิธีที่จะทำให้เราหยุดความอยากต่างๆได้ก็คือต้องทำถานมีเงินทองมากน้อยเพียงไร ที่เราจะเอาไปใช้ใช้ตามความอยากนี้เราต้องเอาไปทำทานไปให้หมดอย่าให้มีเงินทองแล้วเราก็จะได้มีเวลามารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมพอเราได้รักษาศีลได้ปฏิบัติธรรมใจของเราก็จะเข้าสู่ความสงบแล้วก็จะหมดความอยากต่างๆก็จะหมดไปจากใจ แล้วเราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปนี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับถ้าเราได้มาเกิดเป็นมนุษย์ไ ด, ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้าถ้าเราไม่ได้พบกับพระธรรมคำสอนเราจะไม่รู้เราก็จะทำตามความอยากไปเรื่อยๆเพราะเราคิดว่าทำตามความอยากแล้วมีความสุข อยากเที่ยวแล้วไปเที่ยวก็มีความสุขแต่เราไม่รู้ว่าเราจะต้องเที่ยวไปไม่รู้กี่ล้านชาติตายแล้วก็ต้องกลับมาเกิดใหม่มาเที่ยวใหม่เพราะมันทำเที่ยวเท่าไหร่มันก็ไม่อิ่มไม่พอถ้าอยากจะให้มันอิ่มให้พอก็อย่าไปเที่ยวอย่าไปทำตามความอยากฝืนความอยากไปไม่นานเดี๋ยวก็ไม่มีความอยากเที่ยวก็อยู่เฉยๆได้ นี่ต้องมีพระพุทธศาสนามาสอนเราถึงจะรู้ความจริงอันนี้ว่าเหตุที่ทำให้เราต้องมาเวียนว่ายตายเกิดก็คือความอยากต่างๆและเหตุที่จะทำให้เราไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดก็คือการหยุดความอยากด้วยการทำทานด้วยการรักษาศีลด้วยการปฏิบัติธรรมด้วยการฟังเทศฟังธรรมเพราะก่อนที่เราจะปฏิบัติได้เราต้องฟังก่อนต้องมีคนบอกวิธีก่อน ต้องมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาบอกเราเราถึงจะรู้จักวิธีหยุดความอยากหยุดการเกิดแก่จิ ต, ตยจชาติ น, นี้จึงถือว่าเป็นชาติที่เป็นโชควาสนาอันยิ่งใหญ่ของพวกเราที่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาน่าได้มาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าเราไม่ได้เป็นมนุษย์หรือไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเราก็ยังจะต้อง เกิดแก่เจ็บตายไปอีกเป็นเวลาอันยาวนานเพราะนานๆจะมีพระพุทธศาสนามาปรากฏขึ้นสักครั้งหนึ่งแล้วก็อยู่ไปไม่นานศา ส, สนานี้พระพุทธเจ้าก็ทรงทํานายว่าไม่เกินห้าพันปีหลังจากห้าพันปีถ้าเรากลับมาเกิดก็จะไม่มีพระพุทธศาสนามาบอกทางมาสอนให้เราหยุดความอยากกันเราก็จะทำตามความอยากกัน ก็เราคิดว่าทําแล้วมีความสุขแต่เราไม่รู้ว่าต้องทําไปเรื่อยๆทําไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดตายไปแล้วก็ต้องกลับมาเกิดใหม่มาทําใหม่พอมาเกิดแล้วก็ต้องมาแกม่มาเจ็บมาตายใหม่มีใครอยากจะแก่ใครอยากจะเจ็บใครอยากจะตายบ้างไม่มีใครอยากจะแก่เจ็บตายแต่ทําไมยังต้องกลับมาแกแ่เจ็บตายกันก็เพราะไม่รู้ว่าต้นเหตุของการ มีความแก่ความเจ็บความตายก็คือการมาเกิดและต้นเหตุของการมาเกิดก็คือความอยากต่างๆนั่นเองดังนั้นขอให้พวกเราได้ใช้โอกาสอันเลิศอันประเสริฐที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้มาพบกับพระพุทธศาสนานี้มาทำประโยชน์ให้กับเราด้วยการเชื่อพระพุทธเจ้าและปฏิบัติตามคาสอนของพระพุทธเจ้า เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุดติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีะรัตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกัในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขล้างความเจริญ ด้วยอายุมันนาสุกกะปะละโดยทั่วหน้ากันเถอ